อย่าได้กลัวต่อบุญเลยคําว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขนะครับบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขนะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาบางั้นเถอะอิฐาเนี่ยนะครับน่าปรารถนากันตาน่าใคร่นะครับรตบิยะน่ารักนะครับมนาปะน่าพอใจบุญเนี่ยนะดีอย่างนี้แหละครับดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็เรารู้ด้วยยานอันวิเศษยิ่ง ซึ่งวิบากอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจที่ตนเสวยแล้วสิ้นกาลนานแห่งบุญทั้งหลายที่ตนได้ทํำไ้แล้วสิ้นกาลนานผมว่าเล่านะว่าพระองค์เนี่ยเคยทําบุญแล้วได้เสวยผลบุญเนี่ยน้ามากมายว่างั้นเนี่ยเราเจริญเมตตาจิตตลอดเจปีแล้วไม่กลับมาสู่โลกนี้ตลอดเจดสังวัตตวิวัตกลับอัตถกถาอธิบายว่าเจ็มหากับว่างั้นเถอะ ดูความพิสูจนทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อกับชิพหายอยู่เนี่ยนะเราเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสระคือแสดงว่าไฟเนี่ยไม่โลกนะไม่ถึงอาภัสร์เหมือนกันลยอาภัสระไม่ถูกไหม้นะเมื่อกับเจริญอยู่เราย่อมเข้าถึงวิมานแห่งพรหมที่ว่างดูความพิสูจน์ทั้งหลายได้ยินว่าเราเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใครครอบงําไม่ได้ เป็นผู้สามารถเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยแท้เป็นผู้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจอยู่ในวิมานพรมนั้นดูกวามพิสูจ์ทั้งหลายก็เราได้เป็นเท้าสกะผู้เป็นจอมเทพส6สกครั้งนะเป็นพระอินทร์เนี่ยครั้งนะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระธรรมราชามีสมุทรสาครสี่เป็นขอบเขตเหมืนนแผ่นดินแค่ไหนบอกทะเลเป็นเขตเหมนน เป็นผู้ชนะวิเศษแล้วถึงความเป็นผู้มั่นคงในชนบทประกอบด้วยรัตนะเจประการหลายร้อยครั้งจะกล่าวไปยัยถึงความเป็นพระเจ้าประเทศราชเล่าว่าไงเป็นพระราชาแผ่นดินทั่วๆไปเนี่ยนี่ปกติว่างั้นเถอะดูการพิสูจนทั้งหลายเรานั้นดำริว่าบัตรนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราเนาะแลดูการพิสูจนทั้งหลาย เรานั้นดําเดทว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะผลวิบากแห่งกรรมสามประการของเราคือทานหนึ่งนะครับการให้นะธรรมะคืออินทรีย์สังวรหรือว่าการข่มกิเลส ด, ด้วยการสมาทานการสมาทานไม่ให้กิเลสครอบงา ม, มานันแล้วก็สัญญะการสํารวมกายสัมรวมวาจาระนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่ากุลบตรผู้ใคร่ประโยชน์พึงศึกษาบุญนั่นแหละอันสูงสุดต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกําไรคือพึงเจริญทานความประพฤติสงบสมะจิรญาเนี่ยนะเมตตาจิต บันเด็จครั้นเจริญธรรมะสประการอันเป็นเหตุเกิดแห่งความสุขเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขนะครับเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แหลนะครับนี่ก็ข้อความในปุญญสูตรก็จบนะครับแต่อกทกฐานนี้ขยายดีขยายคําว่าบุญยศับเนี่นะครับปุญยะบุญบุญเนี่ยนะมีหลายความหมายนะครับ เฉพาะในที่นี้คำว่าบุญเนี่ยนะท่านเอามาให้ดูสี่ความหมายบุญยศัพท์นี้บางทีก็หมายถึงผลของบุญนะครับในพระไตรปิฎกนะถ้าอ่านเจอคำว่าบุญบุญยะเนี่ยนะบางทีหมายถึงผลของบุญเช่นน ะ, ะพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่ากุศลานังพิขเวธรรมานังสมาทานเหตุเอวมิดังบุญยังปวัตตินะดูความพิสูจทางหลายผลบุญนี้ ย่อมเจริญอย่างนี้เพราะเหตุแห่งการสมาทานกุศลธรรมทั้งหลายนะกุศลเนี่ยเกิดขึ้นเพราะการสมาทานนะครับตั้งใจเอานะตั้งใจสมาทานนะกุศลจึงเกิดปล่อยให้มันเกิดเรื่อยเฉยไม่ได้นะครับตั้งใจได้นะสมาทานได้หรือว่าบุญยศัพท์นี้มาในความหมายว่าสุจริตอันเป็นกามาวจรและรูปาวจรนะครับหมายถึงสุจริตธรรมนะ เช่นในประโยคว่าอาวิชชาขตอย่างพิขเวปุริสะปุขังปุญยันจะกัตตวาสร้างฆ่ารังอภิสังคโรติดูความพิสูจน์ทั้งหลายข้อที่บุรุษบุคคลผู้ถูกอวิชชาครอบงำย่อมปรุงแต่งสังขารเพราะทำบุญนะครับก็คือทำบุญขึ้นนะนี่ก็หมายถึงอวิชชาครอบงำนะคือยังเป็นผู้มีอวิชชาอยู่คือยังไม่ได้เห็นอริยสัจก็สามารถเจริญกุศลได้นะครับ น, นี้กหมายถึงกุศลจิตที่เป็นการมาวจรและรูปาวจรบางทีคําว่าบุญนั้นก็มาในความหมายถึงอุปติภพอุปติภพเป็นชื่อของวิบากกรรมมรูปในสุขติภพนะครับในสุขติวิเศษเช่นในประโยคว่าบุญอยูประคังภวติวิญญาณังวิญญาณเข้าถึงบุญย่อมเจริญอันนี้ก็หมายคำว่าผลของบุญทําให้เกิดในสุขตินั่นเองนะครับหรือบางทีคําว่าบุญนี้ก็มีความหมายว่า หมายถึงกุศลเจตนาเช่นประโยคเป็นต้นว่าตีนีมานิพิขเวปุญญกิริยาวัตถุนิธานมายังปุญญกิริยาวัตถุศีและมายังปุญญากริยาวัตถุภาวนามายังปุญญกิริยาวัตถุดูการพิสูจน์ทั้งหลายบุญญากริยาวัตถุสมเหล่านี้คือบุญญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยทานหนึ่งปุญญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีหนึ่งปุญญากริยาวัตถุสำเร็จด้วยภาวนานึ่ง แต่ในสูตรนี้นี่นะครับทราบว่ามาในกุศลและทมในภูมิ3คือกุศลที่เป็นกามาวจรใช่ั้ยครับรูปาวจรและอรูปาวจรกุศลที่เป็นกามาวจรนั้นมีกี่ดวงครับกุศลกามาวจรเป็นมี8ดวงนะครับกุศลกามาวจรมี8นะหรือมหากุศล8รูปาวจรกุศลอีก5ดาดวงอรูปาวจรกุศลอีก สี่ดวงนะครับเรียกว่ากุศลธรรมที่เป็นไปในภูมิ3เพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวกุศลเหล่านี้เลยนะกุศลธรรมเหล่านี้ที่เกิดจากทานศีลและภาวนาแต่คำว่าอยากภัเนี่ยนะครับกลัวเนี่ยนะมาจากบาลีว่าภัย ภ, ย, ภยนี่มี2 อ, อย่างนะถ้าเจอในพระไตรปิฎกหมายถึงยานะไัยกับสารัชไภยอย่างยาณภัยคือภัยที่เห็นนะครับคือยานที่เห็นโดยความเป็นไภ่นะ เช่นบทว่าเทพแม้เหล่าใดมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมากด้วยความสุขเทพแม้เหล่านั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระถาคดโดยมากก็ถึงความกลัวหวาดสะดุงแลวก็สังเวชคือนี่หมายถึงปัญญาที่ที่มองเห็นความเป็นไปของวิบากกรรมชั่วก็สังเวชนะครับอันนี้เป็นชื่อของปัญญาที่เห็นนะครับแล้วไงขอ ค, ครับเฮ้ทำไมแปลก การที่ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วทำไมจะต้องสะดุ้งกลัวอะไรด้วย อ, อ๋อปัญญาครับปัญญาหวาดสะดุ้งต่อต่อพบอะนะหวาดสะดุ้งต่อก็เหมือนอย่างนี้นะยกตัวอย่างว่าเรามีเครื่องกําลังนั่งเครื่องบินมายาวๆเนี่ยนะแล้วมีคนมาเล่าว่าเครื่องบินอันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวมันตกนะมันจะตกน ะ, นะกนะําลังนั่งอย่างเพลิดเพลินเพลิมสบายนะครับแล้วก็บอกมันจะตกนะมันไม่ได้เที่ยงอะไรหรอกเนี่ยนะ คล้ายๆแบบเนี้นะฟังแล้วก็สลดใจสังเวชใจนะครับแต่ไม่ใช่โทสะนะแต่คือเห็นความไม่เป็นสาระของภพะนะอันนี้เป็นเรื่องของชื่อของปัญญาที่มองเห็นโดยความเป็นภัยนะครับมองเห็นภพมันมันมีภัยเหมือนเครื่องบินจะตกนัอะไรอย่างเ้ยเขาก็เป็นประเภท น, นั้นนะครับส่วนสารชภัยนะครับอันนี้ภายแบบแบบโทษโทษกลัวนะครับกลัวเพราะมีโทษอนะนะกลัวโทษนะเป็นที่ว่า ภัยได้มีแล้วเพราะความหวาสดส้นุ่งได้มีแล้วความขนพองสยองกล้าวได้มีแล้วทั้งนี้นะลักษณะเนี้ก็กลัวนะเช่นเขาจะถูกฆ่าเนี่ยนะก็กลัวเหมือนกันเถอะในที่นี้ประสงค์เอาสาระชัยเนี่ยนะคือหมายเขาว่าอย่าไปกลัวแบบกลัวผีกลัวอะไรเลยนะครับบุญเนี่ยอย่าไปกลัวแบบนั้นนะในบทนี้มีอธิบายดังต่อไปนี้ว่าดูกรพิสุทั้งหลายพวกเธออย่าได้กลัวบุญที่ภิกษุพึงประพฤติตลอดกาลนานนะครับ อย่าได้กลัวบุญที่ทําไว้เลยนะถามว่าบุญอย่างว่าคืออะไรเช่นการสํารวมกายนะครับบวชมาแล้วเนี่ยสํารวมกายสํารวมวาจาตลอดกาลนานหรือการบําเพ็ญข้อวัดปฏิบัติก็อย่าไปกลัวนะการฉันมือเดียวคือหมายาว่าพูดถึงนักบวชที่ที่บริโภคตามพระธรรมวินัยเนี่ยนะครับการนอนหนเดียวหรือการฝึกอินทรีย์นะครับไม่ให้ใจเป็นบาปเวลาตามองเห็นเป็นต้นเนี่ยนะ การข่มจิตด้วยธรรมะเครื่องกำจัดกิเลสมีสติสัมปชัญญะปรารบความเพียรด้วยการประกอบกรรมฐานพวกเธออย่าได้ถึงความกลัวความสะดุ้งพวกเธออย่าได้กลัวต่อบุญอันให้ความสุขในสัมปรารภาพและนิพพานเพราะภัยเกียรติกั้นความสุขในปัจจุบันบางอย่างเลยนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเลยนะบุญเหล่านี้เนี่ยสุกในโลกหน้าแน่นอนและบุญเหล่านี้เป็นอุปนิสายแห่งสุกในพระนิพพานนั่นเองนะครับพอก่ะครับท่านพระอาจารย์ในรองวิเคราะห์ดีว่าทําไมพระพุทธองค์จึงตัดคําว่าอย่ากลัวต่อบุญเลยคือบางคนเนี่ยนะครับทําบุญไประดับหนึ่งเจริญกุศลไประดับหนึ่งมันเกิดนึกเกียดคร้านน่ะนะหรืบอบากโอมันนี่ถ้าบุญมันมากๆเข้านี่มันจะไหวเลยออะไรกันนั่นนะ นึกไปหว่าระแวงนี่ทํามัวแต่ไปสเสวยผลของบุญนะทําบุญเดี๋ยวก็ไปนั่งสเสวยบุญผลบุญอยู่อย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะจบจะสิ้นสักทีหนึ่งอะนะก็เลยไม่อยากจะทําบุญไปอีกก็มีนะครับบางคนที่เขารังเกยียจต่อภพอยเนี้ยรังเกยียจต่อภพอย่างเช่นว่าเขามุ่งพระ น, นิพพานนะโอ้ใช่ม่เกิดในสังหวงสวรรค์นี่มันเป็นเรื่องน่าเสะยใจเสีเอียนการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์อีกก็น่าเสียใจสะเอียนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเ<ข>รียกกลัวผลของบุญนะครับ อ่าอย่างนี้ี่ถือว่าเป็นการขัดต่อคําสอนตรงนี้ไหมคือถ้ากลัวจริงๆมันก็ไม่มีปัญหาถ้ากลัวแบบนั้นมันกลัวด้วยวิปัสสนานะครับแต่ที่นี่หมายถึงคําสอนที่ให้เห็นโทษของคนที่เออหมายว่าให้เห็นอ น, นิสง์นะครับสําหรับคนที่เกียรตครั้น น, นะนะแสดงเพื่อทําให้ภิกษุเหล่านั้ น, น, นเนี่ยนะประกอบความเพียรเหมอนกันเถอะคือพอฟังสูตรนี้เข้าเอ๊อยากจะเจริญกุศลมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยนะครับหรือส่งเสริมวิริยินรีย์นั่นเองนะครับ สําหรับคนที่เกียรติคร้านะนะพอได้ฟังอย่างนี้พระพุทธเจ้ามารับรองอย่างนี้ก็มั่นใจเลยนะครับนี่ถ้าเราไม่ได้นิพพานอย่างน้อยก็ยังมีบุญให้ยังน้อยก็ได้เสวยบุญน่ะนะที่ทำเนี่ยไม่ศูนย์ไม่เปล่าไม่มันนะเหมือ น, นกันครับทําไม่ได้นิพพานก็ยังมีสุขคติสัมปรายภพนะครับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ทุกยากต่อไปเกิดเป็นเทวดาก็มีบุญมีอนุภาพนะครับ บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงเหตุในความเป็นของไม่ควรกลัวแต่บุญนั้นนะครับจึงตรัสคําเมียที่ว่าสุขเสตตังดังนี้อันนี้ก็ขยายคําว่าสุขขับก่อนนะคาว่าความสุขนะความสุขเนี่ยนะที่มีใช้ในพระไตรปิฎกมีสิบความหมายนะครับที่ท่านเรียบเรียงมาให้ดูเนี่ยนะคำว่าสุขสุขเนี่ยนะคําว่าสุขเนี่ยความหมายยังไงบ้างหนึ่งเช่นมาในต้นเขาของความสุข นะอย่างในพุทธพจน์ที่ว่าสุขโผุทธานังอุปาโทสุขาวิราคตาโลเกความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายนำมาซึ่งความสุขความปราศจากความกำหนัดเป็นสุขในโลกพระพุทธเจ้านี้เกิดในโลกเพื่อความสุขนะแล้วก็ถ้าใครละกิเลสละความกำหนดนะในโลกก็เป็นความสุขเหมือนกันอันนี้หมายถึงต้นเขาของความสุขนะคำ ว, ว่าสุขในที่นี้นะ หรือว่าบางทีสุขก็มาในสุขารมคืออารมณ์ที่เป็นสุขเหมือนประโยคว่ายัสมากจะโคมหาลยรูปังสุขังสุขคานุปฏิตังสุขาวกันตังดูก่อนมหาลีก็เพราะรูปเป็นความสุขตกลงไปสู่ความสุขก้าวลงไปสู่ความสุขนะครับอันนี้หมายถึงอารมณ์ที่เป็นสุขนั่นเองนะครับ ส่วนสุขบงความหมายก็หมายคำว่าฐานะมีสุขเป็นปัจจัยเช่นประโยคว่ายาวันจิทังพิกเวนะสุกรังอักขาเนนะปาปุนิตุงยาวะสุขาสขาดูความพิสูจน์ทั้งหลายการเข้าถึงสวรรค์อันเป็นความสุขเพียงบอกกล่าวเท่านั้นทําไม่ได้ง่ายนักอันนี้ก็พูดถึงในข้อความในภาระบัณฑิตสูตรนะครับที่พระ อ, องค์ตรัสถึงว่าสุขตินี่นะครับที่คนบัณฑิตประพฤติแล้วเนี่ยนะ ไปสู่สุขติโลกสวรรค์เนี่ยนะจะเล่าว่าไอความสุขที่เทวดาได้รับเนี่ยนะจะอุปมาให้ฟังก็ทําได้ยา ก, กว่างั้นเถอะมันสุขมากะนะก็อพระองค์ก็เลยยกถึงสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิที่ได้สเสวยสุขนั่นก็ยังไม่ถึงเซี่ยวของสวรรค์เลยว่า ง, งั้นนะนะก็เลยยกตัวอย่างมาให้ดูนั่นเองอันนี้หมายถึงว่าฐานะมีสุขเป็นปัจจัยนั่นเองคนระับนี้ก็ใช้ความหมายว่าสุขเหมือนกัน หรือว่าคําว่าสุขมาในเหตุแห่งความสุขก็มีนะครับเช่นว่าสุโคปุญญสัอุจโยการสังสมบุญนํามาซึ่งความสุขหรือว่าไอคำว่าสุขศัพท์มาในความหมายว่าไม่เบียดเบียนเช่นว่าทิฏฐธรรมะสุขาวิหาราเอเตธรรมะธรรมทั้งหลายเหล่านี้มีความสุขในปัจจุบันเป็นวิหารธรรมหมายความว่าผู้ที่ได้ฌานเนี่ยนะครับเข้าฌานก็จะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันมันคำว่าสุขนี่แปลว่าไม่เบียดเบียน นะครับเพราะว่าไม่ได้หมายถึงสุขเวทนานะอย่างเช่นอรูปฌานทั้งหลายเนี่ยหมายถึงไม่เบียดเบียนนั่นเองนะครับหรือคําว่าสุขนี่มีความหมายว่านิพานเช่นว่านิพานังปรังสุขขังนะครับนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะนะความดับกิเลสทั้งหมดเนี่ยเป็นสุขจริงจริงว่งั้นขอขา ค, ครับทําไมจึงกล่าวว่าความไม่เบียดเบียนคือความสุขอ๋อก็ เข้าอารูปฌานทั้งหลายเนี่ยนะเข้าฌานเข้าจตุตถฌานเข้าอารูปฌานเข้าพระสมมาบัตระดับฌานสีเนี่ยนะมันไม่มีอย่างอื่นมาเบียดเบียนอะไรเลยนะครับนะไม่ต้องมาเบียดไม่ต้องมาเห็นได้ยินอะไรแบบอารมณ์แบบกระทบกระทั่งทั่วๆไปเนี่ยนะก็สวยแต่ฌานจิตลุนล้วนไปนะครับก็คว<อ>ามสุขแบบนั้นนะนะความสุขแบบนี้มีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งนะไม่ต้องกระทบกระทั่งไม่ต้องไปเห็นได้ยินอะไรนะครับมาสุขสนิทเลยอย่างั้นเถอะเออขอกอภนะ การที่ไม่เบียดเบียนเขาหรือว่าเขาไม่เบียดเบียนเราความหมายนี้อ๋อนี่อันนั้นมันมันแคบไปนะครับความหมายในที่นี้หมายถึงสุกระดับอรูปฌานนะครับสุขแบบสมาบัตินะนะท่านสมาบัติทั้งหลายก็ไม่เบียดเบียนอะไรนะครับไม่ใช่สุขแบบธรรมดาธรรมดาถ้าสุขแบบธรรมดาธรรมนาก็เรีสุขเวทนานะครับนะหรืออาจจะขณะเมตตาเกิดก็ได้แต่ถ้ามาในสุขเวทนาเช่นว่าสุขัสสะจะปะหานาเพราะละสุขเสียได้นะ ละสุขละทุกข์เสียได้เข้าจะตุทัชฌานอย่างนั้นหมายถึงละสุขเวทนาจริงๆนะครับอันนั้นหมายถึงสุขเวทนานะไอ้สุขที่เกิดจากการเบียดเบียนนี่หมายถึงว่าอกุศลไม่ไปเบียดเบียนหรือเปล่า <c oughs> ไม่ไปเบียดเบียนในฌานอยนั้นได้นะครับคือหมายถึงความสุขในฌานะนะมันมันไม่ต้องเบียดเบียนกระทบกระทั่งแบบทั่วๆไปนะสุขแบบทั่วๆไปเนี่ยนะอย่างเช่นสุขของพระราชาเนี่ยนะครับมันไม่ได้สุขแท้แน่นอนอะไร ทีนี้ถ้าเทียบว่าคนที่เข้าฌานเจ็วันสวยสุขลุ้นลุ้นนะครับไม่มีทุกแบบพระราชาอะไรเลยนะทําได้ไหมล่ะนะลักษณะนะั้นนะที่พระพุทธจเจ้านั่งสวยสุขอย่างเดีย ว, นนวนเนี่ยนะครับเจ็วันก็ทําได้ะลักษณะนี้นะครับบพไม่ต้องเบียดเบียนอะไรสุขแท้ๆด้วยนะแต่สุขแบบการคลองเรือนเป็นต้นเนี่ยมันก็สุขแบบมันก็สุขบ้างทุกบ้างสละข้าเข้ากันไปนะทีนี้เรียก ว, ว่า สุขเนี่ยหมายถึงอุเบกขาเวทนาก็มีนะครับเช่นประโยคว่าอุทุกขมสุขขังสันตังสุขมิจเจวะพาสิตังเมื่อไม่มีทุกข์ไม่มีสุขก็กล่าวได้ว่าเป็นสุขอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ในพระสูตรนะครับหรือว่าสุขศั์นี่มาในสุขที่น่าปรารถนาเช่นประโยคว่าเดเวปิมยาอนันทเวทนาพุทธาปรยิยาญีนัสุขาเวทนาทุกขาเวทนาดูก่อนอนอน เรากล่าวเวทนาแม้ส อ, อย่างคือสุขเวทนาและทุกขเวทนาโดยปริยายคือโดยอ้อมมันนะอันนี้หมายถึงสุขที่น่าปรารถนานั่นเองหรือว่าบางทีก็หมายถึงมาในวิบากที่น่าปรารถนาสุขขับนะเช่นในประโยคเป็นที่ว่าสุขโขวิปาะโกปุญญานั่งวิบากแห่งบุญทั้งหลายเป็นสุขในที่นี้เอาข้อที่10นะครับอธิษฐาที่10คือหมายความว่ามาในวิบากที่น่าปรารถนาเท่านั้น เพราะบุญเนี่ยนะจะให้วิบากที่น่าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอจใจเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งจะขยายต่อไปว่า